เกิดปัญญาจากการฟังก่อนแล้วก็คิดตามตามที่อที่จะคิดได้แล้วก็เมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยจะได้ไปปฏิบัติได้ได้ถูกกันเนาะก็คือขอเล่าเรื่องอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะมาเป็นเป็นที่เรียกว่าคนนะที่เรียกว่าเป็นแม่ชีที่เกวเป็นโยมเนี่ยเดิมเนี่ยสิ่งนี้ไม่มีนะอันนี้เราจะเข้าใจตรงกันอยู่แล้วแหละเพราะเรามีการเกิดก่อนเกิดก็คือความไม่มีเนาะ เป็นความไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม่มีเนื้อหนังไม่มีรูปไม่มีน้ำไม่มีอะไรทั้งหมดเลยเป็นความว่างเปล่าแต่ทีนี้ตั้งแต่เริ่มอันนี้จะจะพูดในทํานองที่ว่าตั้งแต่เริ่มที่แม่ตั้งครรภ์เราขึ้นมาจริงๆอ่ะจุดตรงนั้นมันเริ่มแค่จะเปิมกับอสุจิเท่านั้นเองที่ผสมกันครั้งแรกเนาะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยแม่ก็จะกินอาหารกินนู่นกินนี่เนาะ จนกระทั่งมันก็พัฒนาไปเรื่อยเจนกระทั่งเป็นรูปมีหูมีตามีอะไรเนาะต่างๆเป็นสุดท้ายก็ออกมาเป็นทาลกนะแล้วก็เป็นเด็กเล็กเด็กตัวเด็กกลางเด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยต่าง ๆ, ๆอันเนี้ยเริ่มมีแล้วจากไม่มีเป็นมีแต่ตอนที่เริ่มมีมันก็มีแค่นิดนหน่อยๆน่อยเป็นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นธาตุดินกับธาตุน้ําผสมกันแค่นั้นเองเพอต่อมามันเกิดเป็นเหตุปัจจัยกันนะเป็นเหตุปัจจัยภรุงแต่งก็ทําให้ โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีอายตนะภายในหูตาจมูกเลี้ยกายใจแล้วก็ต่อมามีวิญญาณวิญญาณที่เข้ามาผสมผสานกับในในดินน้ำไฟลมเนาะก็ทําให้เกิดมีหูมีตา ม, มีจมูกแล้วก็เกิดการรับรู้ได้รู้สึกนึกคิดได้มีอารมณ์ต่างๆได้เนาะก็มีได้อย่างที่เป็นทุกวันนี้คใช่ทีนี้มันเป็นธาตุน้ํากับธาตุยินมาผสมกันมันไม่ยังไม่มีวิญญาณหรอก ตอนนั้นยังเริ่มแรกยังไม่มีวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเป็นอิทัปยตาก็แ<อ>ปลว่าเดิมสเปิร์มนะสเปิร์มของพ่อผสมกับไข่ของแม่เนาะสองสิ่งนะเขเรียกว่าเป็นเป็นธาตุน้ําธาตุไฟเอ้ยเป็นธาตุน้ํากับธาตุดินแต่ทีนี้แม่ก็ต้องกินอาหารใช่ไหมกินนู่กินจากพืชจกสัตว์ก็กินอะไรไปเรื่อยเนี่ย<อ>มันเป็นเหตุ ป, ปัจจัยไงเขาเรียกว่าอิทธเป็นไปตามกฎอิทธปัจจยตา สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งนี้ผสมผสานสิ่งนู้นก็ต้องตามมาตามมาตามมาวิญญาณเนี่ยเข้ามาผสมทีหลังวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้ววิญญาณไม่ใช่มันไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งอ่ะมาผสมที่วิญญาณมาเนี่ยวิญญาณตรงนี้จริงๆแล้วก็คือธาตุรู้ผสมกับความไม่รู้เขาเรียกว่าอาวิชชาที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นมาก่อนวิญญาณเนี่ย จึงมีการเกิดจึงมีเข้ามาผสมผสานในสิ่งนี้นะทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็กลายเป็นครบเลยเป็นขันห้าอันนี้เป็นขันห้าก็คือเป็นที่เรียกว่าเป็นบุคคลเป็นคนนะเนาะทีนี้ด้วยความไม่รู้เนี่ยวิชาที่มันมากับวิญญาณเนี่ยด้วยความไม่รู้จึงยึดยึดว่าเนี่ยจึงยึดเลยว่าขันห้าเป็นเราเลยยึดห่าว่ายึดขันห้าว่าเป็นของเราเลยเพราะฉะมันมีอวิชชาอยู่ ทีนี้อาวิชานี่ถ้าไม่ล้างถ้าไม่หมดสิ้นในชีวิตเนี่ยสิ่ที่เกิดมาเนี่ยมันก็ต้องมีการเกิดไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นชาตินี้ชีวิตนี้จะต้องดับอวิชัยได้ดับยังไงก็คือให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็ไม่ได้มีการยึดถือเพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถูกไหมเกิดรู้ผิดรู้ผิดไปว่าร่างกายเป็นเรา จิตใจเป็นเราร่างกายเป็นของเราจิตใจเป็นของเราก็มียึดพอยึดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าดับเอาวิชาไม่หมดร่างกายนี้ตายไปมันก็จะต้องไปหาภพชาติเกิดใหม่เพื่อไปได้ร่างใหม่ขึ้นมาก็เลยไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทําไว้นะเพราะฉะนั้นที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็คือเกิดจากอาวิชาจึงได้มาเป็นอย่างเนี้ทีนี้ถ้าไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือฟังไม่เข้าใจก็ยังยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราจิตใจนี้เป็นของเราถูกไหมเพราะฉะนั้น พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยพอจะให้เข้าใจได้หรือว่าในกายเนี่ยมันมีอะไรมากมายที่อยู่ในกายเช่นพวกอะไรนะก็เรียกเส้นเอ็นน้ำเหลืองอะไรที่ตามที่เรารู้จักกันนะนี่ ม, มันผสมกันแล้วเออมากมายเนาะทีนี้จิตใจก็คือความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆหรือว่ า, ามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอ่ะมันมีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยชาติเนี้ยถ้าสิ้นหลงคือไม่ไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือดับวิชาได้ จบชาติสุดท้ายไม่ต้องไปเกิดอีกอทีนี้พอภาคปฏิบัตินะตอนนี้นะอันนี้เราฟังเข้าใจเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าฟังเป็นปัญญาจากการฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในกายที่ที่อยู่ในใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นเลยนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพ อ, อเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วทีเนี้ย เราจึ ง, งเราจึงมีข้อเขาเรียกอะไรนะได้ประสบการณ์อย่างอย่าหนึ่งว่าทําไมพวกนักปฏิบัติธรรมทั้งที่มีเจตนาดีที่อยากจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แต่ทําไมปฏิบัติธรรมจึงยาวนานแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ข้อข้ออะไรรู้ไหมมึงยึดยังมีความมีตัวมีตนอยู่ถูกไหม ม, ม, มันยึดตั้งแต่ไหนยึดตั้งแต่พพก่อนการปฏิบัติธรรมแล้เออตั้งแต่เริ่มจําความได้เริ่มเริ่มค่อยๆยึดมาเนาะ พอก่อนปฏิบัติธรรมก็เรามีทุกข์อยู่ถูกไหมมันเป็นเรามีทุกข์ที่จริงอะขันห้ามันเป็นทุกข์เนาะไม่ใช่เราเลยขันห้าเจ็บขันห้าปวดขันห้าร้อนหิวเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนี่คือขันห้าหมดอารมณ์ทางจิตความสุขบ้างความทุกข์บ้างความหงุดหงิดบ้างความลำคาญบ้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันหนีไม่พ้นขันห้าถูกไหมก็เลยไปยึดว่าเรามีทุกข์เรายังมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายก็อยากจะให้เราเนี่ย พ้นเกิดจากพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายพ้นจากการออความรู้สึกเป็นทุกข์อะไรต่างๆก็ยังยึดเป็นเราอยู่พระพุทธเจ้าสอนทางลับที่สุดไม่อุปาทานในขันสิ้นยึดเมื่อไหร่จบเดี๋ยวนี้ได้ถ้าสิ้นยึดเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยที่แท้มันไม่มีตัวเราเลยนะที่นั่งอยู่ก็ไม่ใช่เราเพราะมันเดิมไม่มีแล้วมันมีแล้วสุดท้ายมันก็จากหายไปคือตายไปมันหมด มันมีแต่ขันห้าเท่านั้นที่เกิดขึ้นก็มีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนอกจากนั้นไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีตัวรอเพราะฉะนั้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเข้าใจเลยว่าไอ้ น, นี้เราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าพระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้แล้ว ต, ตรัสรู้โดยชอบแล้วจึงมาบอกพวกเราแบบง่ายๆเลยว่าขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราอนัตตาเมื่อฟังเข้าใจอย่างเนี้ย นี่ถ้าฟังเข้าใจอย่างเนี้ยมันจะโล่งเลยนะอย่างน้อยก็โล่งเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไระมันก็มีเท่านี้เองพอโล่งเสร็จแล้วน่ะดูต่อความโล่งก็ยังเป็นขันธ์หน้าอยู่เลยถูกมะเพราะมันไม่มีอะไรไม่ใช่ขันธ์หน้าความโล่งความเบาความโปร่งก็ยังเป็นขันธ์หน้าก็ไม่ใช่เราโล่งไม่ใช่เราโปร่งไม่ใช่เราสบาย <S <S อ่ะนั้นลองตีกลับไปบ้างไอตอนที่มันหนักทึบๆตื้อๆนี่นะมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกัน โล่งก็ไม่ใช่เราเหมือนกันแต่โล่งเนี่ยมันสัมผัสได้ว่าคือเบาหลังเนาะเพราะว่ามันเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความรู้สึกเบาอันนี้เขาเรียกว่ามันเบามันไม่ต้องแบกทุกข์ไนงะมันไม่เป็นทุกข์แต่ก็ไม่ได้ถึงยึดถือว่ามันเป็นเราอีกอ่ะทีนี้พอปัญหาอุปสรรคที่เราปฏิบัติทำกันนานมาทาไมจึงไม่เป็นทุกข์หนึ่งมีเราเป็นผู้มีทุกข์ถูกไมจริงจริงมันไม่มีเราเนาะมีแต่ทุกข์ของขันท่า พอมีเราเป็นผู้มีทุกข์ต่อมามีเราอีกอยังไม่ทิ้งเรานะมีเราอยากจะพ้นทุกมีเราจะถึงนิพพานเห็นไหมความเป็นเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยมีเราจะถึงนิพพานโยมดูนะถ้ายังมีเราอยู่นะไม่มีวันจะสัมผัสนิพพานได้เพราะนิพพานคือต้องสิ้นจากความเป็นเราสิ้นเดียวนี้ มันก็นิพพานอยนู่นี่ไม่ต้องรอพรุ่งนี้มาหรือนี้มาทีหน้าไม่ต้องเลยสิ้นเดี๋ยวเนี้ยมันนิพพานอยู่แล้วนิพพานคือความไม่ใช่ขันห้าคือความไม่เป็นอะไรแต่ขันห้ามีอยู่ขันห้าเนี่ยยังนั่งยังเก็บยังปวดอยู่แต่ไม่มีเราเป็นผู้ยึดแล้วมีแต่ความเจ็บความปวดหรือความสบายที่มีอยู่ตอนเนี้ยแต่ไม่มีเจ้าของเนี่ยสิ้นยึดตรงเนี้ยมันก็ มันถึงแล้วมันถึงแบบไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันถึงแล้วแบบไม่ต้องเดินทางถึ ง, งชใช่ดับวิชาคือดับตัวเราเนี่ยดับความเห็นผิดแค่นี้เองดับความเห็นผิดอสาาวะวิชาอสวาวิชาอสวะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเอาวิชาอสาาวาคือหลงผิดมาเป็นแบบอ น, นันตการเลยอะ่ะไม่รู้กี่พกกี่ชาติหลงผิดมาฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจหรือไม่เคยฟัง หรือฟังแล้วเข้าใจนิดหน่อยก็สะสมมาฟังหลายๆพบหลายๆชาติสะสมสะสมมาถึงชาติเนี้ยฟังตูมเดียวเลยพอเขาพูดถึงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันอาจจะสะสมมานานอาจจะปลดล็อกในทันทีก็ได้ว่าโอ้ยมันโง่มาตั้งนานยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้าบอก ว, ว่ามันไม่ใช่เรามาตั้งแต่ไหนตั้งทุกยุคทุกสมัยอะ่ะว่าไปแล้วอะ่ะสวดมนต์ตั้งเช้ า, ชาดีมากเลยนะเนี่ยไอเนี่ย <laughs> เราว่าเรามียึดเต่จริงๆไหวอาจารย์ว่าเจาะลงไปยึดก็คือยึดนะครอ่ามันยึดทีนี้เดี๋ยวใจชี้ให้เห็นว่าเมื่อเช้าซีดีที่เปิดเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนะอาจารย์ไปหลัเทศดีมากเลยเมื่อเช้าก็ดีว่าว่าอาวิชชาหรือการยึดเนี่ยศูนย์ลงตัวกูอะนะมันเกิดขึ้นมาทียิบเลยนะเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่คมไม่แหลมนะมันจะหลงเอา ง, ง่าย มันจะหลงเอาง่ายๆต่อให้ฝึกสติยกมือขนาดไหนอะถ้าปัญญาไม่ถึงนะมันอย่างไงมันก็ต้องหลงเช่นอยากจะให้รู้สึกตัวหลงไปเรียบร้อยแล้วนะอยากนะนะั่นอะมีตัวเรามีตัวเราเป็นผู้อยากมีตัวเราเป็นผู้อยากได้อยากมีนี่หลงไปเรียบร้อยแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ใช้ภาษาว่าฝึกรู้สึกตัวมันยังไม่รู้สึกตัวเพราะว่าปัญญามันยังไม่ถึงขั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีแต่ตัวหลง ทีนี้เดี๋ยวขอพูดไอ้เรื่องความรู้สึกตัวนิดนึงมาความรู้สึกตัวเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นท้ามกลางถึงที่สุดเลยนะความรู้สึกตัวนี่นะคือความรู้สึกตัวการไม่หลงอ่ะรู้สึกตัวแปลว่ารู้ตัวนะมีสติรู้ตัวรู้รู้รกายรู้ใจคือไม่หลงไม่หลงไม่ห ล, ลงสูงสุดคือดับอวิชชาคือไม่หลงไปยึดขันหน้าไม่หลงไปยึดขันหน้าว่าเป็นเรานี่คือดับอวิชชา แต่เบื้องต้นเนี่ยไม่หลงเนี่ยแค่เบื้องต้นก็คือว่ายก ok มือเนี้ยเพื่ออะไรจะเทียบให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันหลงแต่จิตเนี่ยส่งออกไปรู้ข้างนอกถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าหลงหลงก็คือลืมตัวไม่รู้ตัวเลยมีกายมีใจแต่ไม่รู้แต่รู้ทุกเรื่องข้างนอกรู้ทุกเรื่องรู้คนนั้นรู้คนนี้เรื่องเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องรวยรวยร ร, วยรู้หมดเลยก็เลยใช้อุบายว่าต้องเปลี่ยน รู้ไอ้หลงตรงนั้นมาเป็นรู้เนี่ก็คือใช้อุบายก็คือการเคลื่อนไหวให้กลับม า, กการู้ร ก, กายเคลื่อนไหวถูกไหมพอเราฝึกเยอะๆเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวโอเคมันก็เริ่มหายหลงที่จะรู้ข้างนอกแล้วแต่กลับมารู้ข้างในไอ้นี่หายหลงไปปลอยหนึ่งนะแต่มีหลงที่จะเกิดขึ้นมาตัวที่2ก็คือว่าเพ่งอ่าพอกลับมารู้กายแล้วแทนที่จะรู้ซื่อๆกลับมาเพ่งกายอีกเพ่งกายเพ่งจิตเพ่งกายเพ่งจิตเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งหมดเลย ขนาดชื่อบอกว่าทําความรู้สึกตัวแต่ตอนเนี้หลงแล้วยังไม่รู้หลงยังไงรู่ไหมหลงเพ่งเพ่งนี่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเลยนะเพ่งอ่ะเพ่งเนี่ยคือมีการบังคับมีการเอาตัวเราเนี่ยไปจ้องดูอะไรบางอย่างถูกไหมมันสร้างตัวขึ้นมาสร้างตัวตนก็คือพอสร้างสร้างเสร็จแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปดูจิตเช่นไปดูจิตว่ามันคิดอะไรนั่งเพ่งอย่างเนี้ เนี่ยขณะฝึกรู้สึกตัวแต่ยังไม่รู้สึกตัวหลงอยู่หลงยังไงหลงเพ่งถึงครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เพ่งไม่ใช่เพ่งไม่ใช่เผลอก็คือโอเคตัดไปข้างนอกได้แล้วไม่เผล่ละแต่พอสเต็มสองคือหลงเพ่งแต่ยังไม่รู้จักครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เพ่งนะก็แล้วไม่เพ่งทํายังไงทําไม่เป็นอ่านี่คือหลงยับเยินทีนี้อันนี้คือปัญหาแหละพอเพ่งแล้วไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่ายังไม่รู้สึกตัว แล้วทำยังไงให้รู้สึกตัวว่าเพ่งก็ต้องต้องมีเทคนิคตีประสบการณ์จริงจริงมันเยอะนะเช่นสมมติว่าตอนภาคปฏิบัติเนี่ยนะเพ่งอย่างเงี้ยเพ่งรู้เลยจงใจเอาใช้คําว่าเจตนาหรือจงใจถูกไหมเจตนาจงใจที่จะดูที่จะดูกายดูจิตอย่างเงี้ยเพ่งถ้ามีเจตนาเนี่ยเพ่งแล้วทีนี้ถามว่าถ้าไม่เจตนามันรู้ได้ไหมประสบการณ์มันสอน เวลายโยมเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยที่โยมไม่ได้เจตนาอะไรเลยแล้วมันรู้ได้มีไมหมล่ะเช่นไม่ได้เจตนาจะฟังเสียงเอ้าแต่ได้ยินถูกไหมนี่อย่างนี้ไม่แพงเนี่ยโยโย่เฉยเฉยเนี่ยเอ้ามีเสียงค ร, รกอกแเข้ามาได้ยินเองไม่ต้องไปดักเราว่าเมื่อไหร่เสียงจะมีอย่างนี้เรียกว่าไม่แพงอ่ะหรือตามองเห็นบางทีก็อยู่นู่นอยู่นี่เกิดงูมาปั๊บมันเห็นได้เองไม่ต้องจ้องอันนี้ก็ไม่แพง ทีนี้มาดูในกายในจิตบ้างสมมติเวลายโยมหิวอ่ะโยมต้องเพ่งก่อนไหมว่าเมื่อไหร่มันจะหิวไม่ต้องเลยแล้วอยู่ๆมันรู้ขึ้นมาเองว่าหิวแล้วอย่างนี้ไม่เพ่งหรือมันร้อนโยมนั่งปฏิบัติไปเอ้ยมันร้อนผู้ว่าผู้ว่ารู้แล้วรู้เองอย่างนี้ก็ไม่เพ่งใช่ไหมหรือว่าบางทีนั่งปฏิบัติอยู่รู้สึกเพ่งอยู่แล้วต่อมา มันลืมตัวคือไปคิดแล้วก็มันรู้สึกตัวเองว่าเมื่อกี้เผลอคิดไปอย่างนี้ก็ไม่เพ่งเพราะฉะนั้นเรารู้จักสองสิ่งหนึ่งเพ่งไม่เพ่งเราก็มีประสบการณ์แล้วว่าแบบนี้คือไม่เพ่งเพราะฉะนั้นไอ้ที่เจตนาเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเพ่งถ้าเราเข้าใจสองสิ่งนี้เราจะรู้ว่าเพ่งหรือไม่เพ่งอ่ะทีนี้ถ้าเราปฏิบัติแบบเพ่งเราก็เพ่งไว้ดิแต่เรารู้จักแล้วว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเพ่งก็เพ่งไปก็เป็นสมถะถูกไหมอ่ะก็เพ่งไป มันรู้อยู่แก่ใจว่าอ๋อแบบนี้มันเพงทีนี้ถ้าไม่อยากเพ่งก็ถอนเนี่ยก็คือไม่ต้องไปจอก็อยู่เป็นปกติถูกไหมอยู่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เพงเมื่อรู้จักเพ่งกับไม่เพ่งมันก็ทําให้ไม่หลงถูกไหมเพราะฉะนั้นในที่เพ่งแล้วยังไม่รู้นี่ยังหลงยับเยินเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเอาประสบการณ์จริงที่ไม่เพ่งก็มีอยู่ใช่ไหมหรือที่เพ่งก็มีอยู่เราจึงแยกแยะได้ถูกว่าอะไรคือเพ่งอะไรคือไม่เพ่ง ถ้าเรากำลังฝึกสติเรายกหนักการที่ไม่เพ่งคือเป็นแบบนี้มันก็ยังยกอยู่โดยที่ไม่เพ่งไม่ได้ถ้าไม่เพ่งนี่นะมันยกอยู่แต่มันรู้ทั่วถึงคือรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตคือมันเบาสบายรู้แบบไม่จดจ่ออย่างนี้นะเราอ่างยกนี่นะตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินแล้วเคลื่อนไหวก็รู้สึกได้เจ็บปวดก็รู้ได้แลวมันคิดอะไรอยู่ในใจก็รู้ได้คือเขาเรียกว่ารู้พร้อมรู้ทั่วตัวรู้ทั่วถึง รู้พร้อมเออรู้พร้อมคือรู้แล้วรู้แบบเนี้ยมันรู้แบบสบายไงรู้แบบสิ่งแวดล้อมทั้งข้างในทั้งนอกใช่ใ่เนี่ยรู้นอกรู้ในรู้แบบธรรมชาติมากเลยมันเบาอ่ะเรายอมเข้าใจจิตแล้ว้านั้นเวลานั่งอ่ะถ้าเกิดไปรู้อะไรมีความรู้สึ่นั่นฟุ้ง้านหรือเปล่ามันรู้เองที่จริงอ่ะถูกแล้วไอ้รู้ฟุงส่านอ่ะถูกแล้วเพราะมันรู้ตามความเป็นจริงว่าตอนนี้จิตอ่ะฟุ้งซาน เพราะตัวสติคือความระลึกได้แต่ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเป็นเหยื่อล่ อ, อความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเป็นปรากฏการถูกไหมแต่ตัวสติระลึกได้ว่าฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยคือถูกแล้วนี่ความจริงอะ่ะคือโยมถ้าพอนั้งปฏิบัติครับถ้าพอจิตเริ่มฟุง้งซ่านไปนี่ยโยมก็จะกลับมาที่มหาเออพอเราเข้าใจทีไงไเรานึกว่าต้องไม่คิดบ้างต้องกลับมาแต่ใหม่ๆหม่มก็เข้าสูตรนี้หมดแหลยกลับมาหมดเพราะว่าต้องการให้มีกําลังคือสมาธิคือสมถะ เพื่อให้มันแบบว่ามีกําลังมากๆเนาะพอมีกําลังมากเสร็จเนี่ต่อไปเนี่ยความคิดอะไรมันจะเห็นรู้เร็วแต่ถ้าเราไม่ต้องให้สมาธิมากเกินไปเรกแค่รู้ว่าฟุ้งซ่านก็รู้แล้วก็คือจบแล้วไงรู้แล้วไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้รู้ใช่ไหมให้รู้แต่อย่าเข้าไปเป็นมันฟุ้งซ่านรู้แล้วก็ถูกแล้วแต่อย่าเข้าไปเป็นผู้อย่าเข้าไปเป็นว่าความฟุ้งซ่านคือเราเห็นไหมมันจะไปยืดอีกแล้วว่าเราฟารุ้งซ่านแต่ที่จริงความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเรื่องของ ขันห้าเป็นเรื่องของจิตอาการทางจิตที่มันปรากฏขึ้นแล้วมีสติรับรู้แล้วว่าเออมันคงสัง้งเดี๋ยวจะไปต่อไปในจะปฏิบัติง่ายขึ้นเนีเพราะว่าปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่าแค่รับรู้ปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรถูกไหมคือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราเพื่อตอกย้ำให้ตรงกับความเข้าใจของพระเจ้าว่าท่านสอนเรื่องอ น, นัตตาเนี่ยอ๋อความคงสัง้นก็สังขารไม่เที่ยงพระมคงสั้นก็เป็นอนัตตา ก็รู้แล้วก็ยกไปก็ฟุ้งซานอีก ก, อ ก, นอกก็รู้อีกมันสงบก็รู้อีกฟุ้งซานก็รู้อีกสงบก็รู้อีกขอให้มีรู้ใช้ได้หมดเลยขอให้มีรู้เนี่ยพราปฏิบัติคือให้ใหมีสติคือให้มีรู้ส่วนจะรู้อะไรเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันไม่ยึดถืออยู่แล้วพราะพรุทธเจ้าไม่ให้ยึดถืออารมณ์แต่ให้รู้อารมณ์รู้แจ้งในกองสังขารคือรู้ออผ่านอย่างเดียวผ่านอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วหลวงพ่อกรงเขียนใช้บ่อดเออรู้แล้วอือืรู้แล้วอืมอืรู้แล้วคือแค่รู้แล้ว่ะ ทั้งทุกขทั้งสุขทั้งอะไรก็ตามเพราะมันเป็นความปรุงแต่งของขันห้าทั้งหมดอี่พอรู้สิมันจะแดงต่อประช่างมันก็ขันห้ามันต้องแสดงต่อจนกว่าจะทิ้นลมหายใจจนกว่าจะรู้ไม่ได้ยังมีขันห้าอยู่เนี่ยเพราะว่ามันบอกแล้วว่ามันมีแต่ขันห้าเนาะไอสิ่งถูกรู้ก็เป็นความปรุงแต่งไอที่รู้ก็คือวิญญาณนะแต่มีประกอบด้วยสติก็ทําให้รู้ขึ้นมาใช่ไหมก็คือขันห้าทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเลย ในบรรดาที่เล่ามาที่ยกตัวอย่ า, ยางเนี่ยล้วนแต่ไม่ใช่เราทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งไม่รู้ก็ไม่ใช่เราการรู้ก็ไม่ใช่เราถูกไหมแต่การปฏิบัติเนี่ยต้องให้รู้เพราะอะไรเพื่อจะได้เห็นจะได้รู้แจ้งโดยอาศัยรู้เนี่ยเป็นเรือแพาพาข้ามฟากอาศัยรู้เพราะฉะนั้นหลักธรรมะง่ายๆเลยอะไรก็ตามถ้ารู้แล้วอ่ะถูกต้องหมดต่อให้อ ย, ยกมือผิดแล้วมันรู้แล้วว่าผิดก็ถูกอีก ยกยกมือไปยกมาถ้ามันรู้ว่าถูกก็ถูกอีกสวดมนต่นนะถ้าสวดมนผิดอ่ะแล้วรู้ว่าผิดอ่ะถูกอีกมันถูกมันคือคือคือไอ้รู้เนี่ยมันไม่ผิดไม่ถูกแต่มันรู้ถูกรู้ผิดได้แล้วก็ไม่ยึดความถูกความผิดแต่รู้เฉยเฉยสวดมนั้นง่า ย, ายมากเลยนะสวดมนตอนเช้าเนี่ยสมมตยมสดใจลอยอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าใจลอยเอาก็รู้แล้วแล้วก็ไม่ใจลอยก็รู้แล้วแล้วมันใจลอยมากก็รู้อีกขอให้มีรู้ใช้ได้หมด ไม่ต้องไปเอาไอ้ไอ้ไอสิ่งถูกรู้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เป็นรู้พอรู้นี่แหละตัวพาสู่นิพพานรู้เนี่ยมีพูดไปแล้วนะรู้เนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นพุทธเป็นสตินะเป็นสติสัมปชัญญะแล้วมันจะพัฒนาเป็นพุทธพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้ผู้เบิกบานรู้แล้วไม่หลงตื่นแล้วตื่นจากความหลงแล้วคือไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ไม่หลงเข้าไปเป็น ใช่ไหมไม่หลงเข้าไปเป็นถูกไม่หลงเข้าไปเป็นผิดไม่หลงเข้าไปเป็นทุกข์ไม่หลงเข้าไปเป็นสุขได้แต่รู้มันทุกข์หรือมันสุขมันแต่รู้ลูกเดียวแต่พืชแต่ผมันจะง่ายอ่ะเออนะเดี๋ยวมีต่ <ก S 2> อนะเมื่อกีนน้เมื่อกีนน้เราพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวตัวนิดหนึ่งเดิมเป็นคนหลงที่จะรู้ข้างนอกถูกไหมสร้างความรู้สึกตัวในเบื้องต้นก็คือเอามือเอากายเนี่ยมายกมาอะไรเนี่ยเพื่อกลับมารู้ข้างใน อันั้นเขาเรียกว่ารู้สึกตัวที่จะไม่หลงไปข้างนอกแล้วแต่ต่อมาไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่เป็นความรู้สึกตัวที่ถูกต้องอีกเพราะหลงไปเพ่งแล้วยังไม่รู้จักถูกไหมแค่นี้หลงนะขนาดพยายามจะทําความรู้สึกตัวแต่ยังหลงอยู่เพราะไม่รู้ว่าเพ่งแต่ถ้ารู้ว่าเพ่งแล้วว่าเจตนาจงใจรู้จักแล้วก็ไอรู้แบบไม่ไม่เพ่งก็รู้จักแล้วตามประสบการณ์ที่แบบไร้เจตนาซึ่งรู้ได้ จึงแยกแยะได้ถูกว่าอะไรคือเจตนาอะไรไม่เจตนาเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะไม่หลงแล้วไม่หลงยังไงอเพ่งก็รู้ไงเพ่งจองเอารู้แล้วเอาจะเพ่งต่อไปก็เพ่งก็ไปก็เพก็รู้อกีกใช่ไหมหรือว่าจะไม่เพ่งก็คือก็อก็ถอนเสียก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างที่บอกนะอันนี้เป็นความรู้สึกตัวในระดับที่สองอันนี้เราตั้งลําดับเองอนะนะหนึ่งสองสามนี่นะอันนี้นี่แต่งตําราเองนะพอต่อมาไม่รู้สึกตัวระดับที่สามก็คือ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะสมมติว่าโยมมองไปที่พระพุทธรูปเนาะโยมเห็นพระพุทธรูปหมดนะว่าแบบไหนทรงไหนยังไงเห็นหมดแต่ในใจตัวเองอ่ะกำลังพูดสาธยายอยู่เช่นคิดในใจนะมันคิดในใจว่าโอ้พระพุทธรูปนี้สวยจังเลยเนาะโอ้ทองแดงอย่างนั้นพูดอุตรลุดเลยแต่ตอนนั้นอ่ะไม่รู้สึกตัวคืนหลงแต่ไปดู แต่ไม่รู้ว่าตัวเองการทังคิดปุดๆปุดๆปุดๆปุ ด, ป ด, ป ด, ป ด, ปดสาได้ยัยก็เรียกว่าไม่เห็นความคิดอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกตัวเลยสะดวกแล้วที่อ ย, อ, ยอยู่กันทุกวันเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยอุ้มันลม้มทั้งหมดเล ย, ยมันเหมือนสิ่งธรรมดาเลยทที่เป็นปกติของคนปกติใช่ไหมเวลาเออมันเห็นมันก็ต้องคิดสิแ ต, แต่ไม่เห็นคิดไงเพราะมันมันออกจิตเนี่ยมันออกไปอยู่ข้างนอกหมดถูกไหมทีนี้เอาเรายกตัวอย่างอีกส่วนว่า โยมเห็นอันตามาเนี่ยสมมติอัตามาไม่ได้พูดยังไม่ได้ทําอะไรนะส่วนตอนมานั่งเนี่ยโยมก็นั่งเราก็นั่งแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆอตาตมาไม่พูดโยมเห็นเราใช่ไหมยโยมก็คิดในใจอีกเช่นจานทำไมไม่พูดสักทียันจะมาไม้ไหนอีกโยมคิดเองนั่นน่ะแต่ไม่เห็นตัวเองอันนี้ก็หลงคือไม่รู้สึกตัวนี่นี่ละเอียดแล้วนะไอ้เพ่งนี้ยังยากนะไอ้ที่เห็นจิตคิดเนี่ยผมรู้ยาก ต้องอาสัยการฟังเยอะๆแล้วจึงเป็นประสบการณ์แล้วค่อยๆรู้มันก็คิดตลอดรู้คิดตลอดเอ้าทีนี้ชี่อีกนะอันนี้เรื่องตาเห็นรูปนะพอตาเห็นรูปมันก็ต้องคิดพอตาเห็นรูปใจก็ต้องคิดถูกไหมทั้งนี้มันเป็นธรรมชาตินะรรตแต่ที่บอกเนี่ยคือบอกให้รู้จักว่าโอ้โหทำไมมันไม่รู้มันพลาดขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้ตามองเห็นแต่ใจคิดไม่รู้อ่ะแล้วต่อมาได้ยินเสียง มันก็ต้องคิดอย่างได้ยินเสียงรถสมมุตินะมันคิดในใจนะสมมุตินะขณะฟังอยู่นี่ยมันคิดให้สงสัยเข้าไปนู่นไปนี่เอ๊ะทำไมคืออมันก็คิดเหมือนกันแต่ไม่เห็นเพราะเหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันมันได้แต่ออกไปรับรู้ทางเสียงแต่ไม่รู้ตัวเองคือตัวเองคิดอยู่ไม่เห็นใจตัวเองกําลังคิดนี่ก็คือหลงทีนี้เห็นทางตาได้ยินทางหูจมูกรู้กลิ่นโยมอยู่คนเดียวเนี่ยกินอะไรเนี่ยมันก็ต้องพูดอยู่คนเดียวในใจอะ่ะ กินอะไมจังม่พูดคนเดียวนะถ้าถ้าอยู่หลายคนอาจจะบอกให้คนอื่นได้ยินว่าเราคิดอะไรใช่ไหมถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะคิดในใจว่ากินอะไรวะหอมจังเลยวะเฮ้มันอยู่ไหนวะนี่มันคิดตลอดนะพอจะมกูกด้วยกินก็คิดหาอีกแล้วคิดคิดแต่ไม่เห็นความคิด อ, อ่ะนี่ทางจมูกเลยนะทางลิ้นทางเลินเล้นโยมไปชิมอะไรขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกรสชาติอย่างนั้นอย่างนั้นโยมอยู่คนเดียวยงก็พูดอยู่คนเดียวในใจบอกนะ มันรสชาติดีจังวะอันนี้ยหาได้ที่ไหนอพูดอยู่ตะลุเลยคิดอีกแล้วออาต่อมาสิ่งกระทบทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งปวดเมื่อยอะไรต่างๆนะรู้สึกถึงว่าเจ็บไข้ไม่สบายปวดหัวปวดเท้าวปวดอะไรนะอยู่คนเดียวเนี่แหละมันก็พูดอีกมันพูดในใจอีกบอกโอ้ยเป็นการของเรานะอย่างอย่างนี้ตัวเองก็บนอยู่พูดอยู่ก็ไม่เห็นความคิดอีกเห็นไหมหลงไหมล่ะอย่างนี้ก็หลงอ้าทีนี้ทำมาลมมา้าง ทำอารมณ์เป็นอารมณ์ทางใจนะเช่นเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเวลามันคงสงั้นนะสมมตินะโยมก็ต้องพูดคิดอกีอกมันคงสั้นจังทำไมอาไม่อยู่เลยเนี่ยสองสมชั่วโมงแล้วมันยังไม่สัง่ง น, นี่ก็คิดอีกแหละไ อ, คคอนน้ความคงสั้นก็อันหนึ่งแต่ความคิดก็อีกอันนึงความคิดเนี่ยมันไปคิดไปพูดในเรื่องของความคงสัง้นแต่ความคงสั้นมันพูดไม่ได้มันคิดไม่ได้ใช่ปะ่ะเ <c oughs> ออมีแต่ความคิดปรุงแต่งอยู่ไป ไปตำหนิเตี๋ในเรื่องความกลงาก็ว่าทําไมทำไมอย่างนี้ทไมยังไม่สงนบ น, นี่บนก็ไม่เห็นความคิดอันนี้ก็คือหล ง, งเพราะฉะนั้นหลงมันหลงจากหูตาจมูกลิ้นกายใจยไม่เห็นความคิดของตัวเอ ง, องเห็นไหมละ่ะเนี่ย<ล>พอธรรมะละเอียดนี่ใครถ้าไม่แจงแบบนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยหลงกันไม่รู้กี่เพรกี่ชาติไงนะงแล้วหลงเพราเทียนเนี่ยเราจึงแบบโอ้โหขารบท่านมากท่านบอกให้เห็นความคิดอ่ะ แต่ท่านแค่ยกตัวอย่างในเรื่องของรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดโอเคทุกคนก็เป็นแล้วแต่ไอตาไปมองเห็นใจนึกคิดเนี่ยท่านไม่ได้พูดใช่ไหมอูได้ยินเสียงแล้วใจนึกคิดท่านก็ไม่ได้พูดแต่ท่านจะพูดในภาพรวมบอกว่ากายเคลื่อนไหวให้รู้จิตเคลื่อนไหวให้รู้จิตเคลื่อนไหวก็คือความคิดนะท่านท่านไปพูดในภาพรวมว่าเออกายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆก็รู้จิตเคลื่อนไหวอย่างไรก็ให้รู้ให้รู้ก็คือเช่นมันคิดก็ให้รู้ไง <c oughs> แล้ว ท, <c oughs> ทีนี้พวกเราปฏิบัติบางทีก็ไปไปหลงคือหลงเพ่งพอหลงเพ่งปั๊บเนี่ยมันไม่เห็นดิพอมันไปเพ่งอารมณ์เดียวไปเพ่งมือเพ่งเท้าความคิดมีอยู่ก็ไม่เห็นเนาะไม่เห็นเอาทีนี้ไอ้นี้ไล่มาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจหมดแล้วเนาะแล้วก็มีความคิดนะไม่เห็นแต่ตอนนี้ชี้ให้เห็นแล้วว่าความคิดเนี่ยถ้ายังมีขันห้าอยู่เนี่ยนะยังไม่แตกสลายคือยังไม่สิ้นลมหายใจเนี่ยยังไงก็ต้องคิดเพราะมันคือขันห้าเป็นธรรมชาติล้วนๆเลย มันไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่เป็นตันหามันเป็นธรรมชาติซึ่งต้องยอมรับมานเพาะชีวิตเนี่ยมันประกอบด้วยขันห้าอยไปหยุดความคิดไม่ได้ตายเครียดตายเลยเพราะฉนั้นให้มันคิดอย่างธรรมชาติแล้วก็มีสติเห็นมันว่ามันคิดเห็นแล้วก็แล้ ว, ลวไปไม่คิดไม่เห็นก็อย่าไปพยายามจะหาก็เครียดเอง ก, ก็เท่าที่รับรู้ได้แบบสบายสบา ย, บายนะแต่นี้ชีจะเห็นแล้วนะว่าเรื่องความคิดนะทุกอย่างมาลงดูที่ใจหมดความคิดความปรุง แม้กระทั่งอารมณ์ในใจเวลามันสุขสบายปฏิบัติดีแบบเบาลโล่งันก็พูดใช่ไหมละ่ะบอกโอดีมากเลยโอ้ลิปทานเลยโอ้คนทุกเรื่อคนทัน้งนี่เป็นพระโสดาบ้นเราะมันก็พูดไปเรื่อยเราไม่เห็นความคิดถ้าเห็นความคิดนมันจะทิ้งอารมณ์มันจะทิ้งอารมณ์มะ อ, มอะไรเช่นส่สวนมันสบายานี่นะตอนแรกมันยังไม่คิดมันก็จะเห็นอารมณ์ความสบายแต่ความคิดอย่างไงมันก็ต้องทํางานเมื่อมันไปรู้ความสบาย วิญญาณนี่แหละไปรู้ความสบายไปรู้เวทนาแล้วก็มาปรุงเป็นรูปความคิดว่าโอ้สบายจังเลยพอมีสติไปเห็นความคิดปั๊บไอความสบายเนี่ยมันเหมือนกับมันตัดโดยอัตโนมัติมันไม่ไปแช่ไม่จมกับความสบายเพราะมันเห็นความคิดอ่าแล้วพอเห็นความคิดเนี่ยมันก็ไม่หลงเพราะว่ารู้ว่าความคิดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งคือคือรู้ก็อันหนึ่งความคิดก็อันหนึ่งไงก็ไม่หลงความคิดว่าเป็นเรามันจึงถอนถอนความความ ความอะไรนะความสบายได้ถอนความคิดได้คือมันพ้นออกมาทั้งความสบายพ้นมาจากความคิดคือมันพ้นหมดไงเพราะมันเป็นรู้ไปแล้วทีนี้สรุปนิดนึงว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความไม่รู้สึกตัวลำดับที่หนึ่งคือหลงรู้หลงเพลินในเรื่องทางนอกใช่ไหมลำดับที่สองหลงเพ่งไม่รู้ลำดับที่สามหลงคิดไม่รู้ <c oughs> ถูกละเอียดนะความคิดนี่ละเอียดกว่าเพื่อนเลยนะอา ถ้าไม่เห็นความคิดเนี่ยเราว่ายังยังไปไม่ได้นะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้านักปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัตินี่แสดงว่าถ้าให้เห็นความคิดนีย่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทางเลยเนี่ยถูกไหมะฉะนั้นต่อไปเนี่ยให้เจริญในความรู้สึกนะยิ่งเห็นความคิดมากดีแล้วเพราะเขาเรียกว่าจิตเห็นจิตเพราะความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิต มันไม่เกิดขึ้นในกายหรอกมันเกิดขึ้นในจิตคือจิตแต่เดิมเนี่ยมันไม่คิดถูกไหมเป็นความว่างเปล่าหรือเป็นความไม่มีเนี่ยแล้วต่อมามันมีเหตุปัจจัยก็ทําให้เกิดการปรุงแต่งในรูปของความคิดเนี่ยเห็นไหมคิดเกิดขึ้นจากความไม่มีเดิมไม่มีแล้วก็คิดมีพอมีเสร็จแล้วมีสติไปเห็นเข้าเห็นเข้าก็จะเห็นความคิดเกิดดับความคิดไหวๆขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยึดถือก็จำแจ้งเลยจี๊ดที่ แล้วเปลี่ยนนะต่อไปเนี่ยอาจะมาเคยผิดเมื่อก่อนเนี่ยเกลียดมากความคิดพอเราเข้าใจผิดคิดว่าปฏิบัติธรรมจะต้องไม่คิดพอพอมันคิดเนี่ยเหมือนกับลำคาญมากเลยมีปฏิฆะเลยแล้วเป็นทุกเป็นทุกขณะที่ลำคาญนี่แหละแต่พอเข้าใจเรื่องให้เห็นความคิดนี่โอ้โหมันสนุกเลยทีเนี้ยลงมยิ่งมันคิดเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ต้องออกแรงอ่ะมันคิดเองอ่ะไอ้ตั้งใจคิดมันที่เกียดอยู่แล้วถูกไหมล่ะไอ้ที่มันคิดเองอ่ะมันเยอะมากแล้วก็ รู้รู้อย่างเดียวแล้วก็มันเป็นความจากมันเปลี่ยนจากความรําคาญกลายเป็นความรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นความคิดอ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านหลวงพ่อเทียนก็สอนให้เห็นความคิดมันจึงอิ่มเอิบใจว่าเราในถ้าพูดภาษาเพราะว่าเราพบหลวงพ่อเทียนแล้วทําไมเรียกว่าพบหลวงพ่อเทียนเพราะว่าหลวงพ่อเทียนสอนให้เห็นความคิดแล้วพูปฏิบัติเราเองก็เห็นความคิดโอ้เดินทางสายเดียวมัน มันจึงอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นความคิด่ะมันกลับหัวกับหางเมื่อก่อนลำคาญเดี๋ยวนี้มันคิดนี่โดีจังเลยได้เห็นความคิด